สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อแปดสิบสามครับอุปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่ในใจตอนที่สองเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษีปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบแปดข้อเก้าถึงสิบสี่ครับลูกาบทที่สิบปดข้อที่เก้าถึงสิบสี่โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าคําอุปมารเรื่องคนฟาริสีและคนเก็บภาษี สำหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและได้ดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสคำอุปมานี้ว่ามีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีและอีกคนหนึ่งเป็นพวกเก็บภาษีคนปาริสีนั้นยืนนึกในใจของตนอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์โมทนาขอบพระคุณของพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เป็นเหมือนคนอื่น ซึ่งเป็นคนโลภคนอาธรรมและคนล่วงประเวณีแต่และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถือปดอาหารสองผลและของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่งมาถวายฝ่ายพดคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แงนดูฟ้าแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพรงผู้เป็นคนบาปเถิดเราบอกท่านหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมมิใช่อีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ท่อมตัวลงจะถูกยกขึ้นพี่น้องครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเราอยู่ใน ำอุ ป, ปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าเวลานี้คือตอนที่สองนะครับแต่ว่าเป็นตอนที่สองของสี่ตอนสั้นๆนะครับผมขออนุญาตทบทวนตอนแรกที่เมื่อวานนี้เราได้กล่าวไปแล้วครับก็คือพู้ภาษาระธรรมซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงไม่ไมนะครับแล้วก็ผู้ภาษากาธรรมคนนี้วันนี้อยู่ในตอนที่สองครับปาริศีกับพวกคนเก็บภาษี พงนี้แล้ววันมะรืนนี้ก็จะอยู่ในตอนที่สามในตอนที่สี่นะครับก็คือคนงานในสวนองุ่นแล้วก็อุปมาสุดท้ายก็คือเรื่องเงินสิบปีนาครับแต่ว่ามีคําถามจากเมื่อวานนี้ครับว่าในข้อที่แปดนั้นตอนปลายนั้นบอกว่าเมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเยซูกันต์บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อพรองค์เสด็จมาอีครั้งหนึ่ง แน่นอนครับพระเยซูจะให้ความยุติธรรมความชอบธรรมและโปร่งเฉลยโฉมพบกับความเชื่อในแผ่นดินโลกอยู่หรือไม่นะครับคาตอบก็คือว่าโปร่งต้องการให้เราตอบว่าอยู่ครับอยู่แปงหมายความว่าคาอุปมานี้ได้ท้าทายพวกเราให้เราฉุดชื่อในความเชื่อครับถ้าผูดภากษาธรรม ยังให้ความเป็นธรรมแก่หญิงไม่คนนี้เนื่องจากความภาคเพียรพยายามในความวิงวอนของเธอพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับจะต้องมีความภาคเพียรในการวิงวอนของพวกเรานะครับแล้วพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์จะทรงให้ความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์ครับเมื่อเราร้องทูลมากสักเพียงใดมีพี่น้องครับนี่เป็นข่าวดีข่าวใหญ่สำหคริสเตียนในสมัยนั้นก็อะไรครับเพราะว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่แสนขึ้ในใจครับเราสามารถอธิษฐานทูลขอกับพระบิดาเจ้าได้ในขณะที่คนยิวในสมัยพระกัมภีร์เดิมนั้นเขาต้องอธิษฐานทูลขอโดยผ่านใครครับโดยผ่านมหาปุโรหิตโดยผ่านปุโรหิตโดยผ่านพิธีกรรมแต่ว่าพระเยซูกําลังสอนว่าเราสามารถอธิษฐานทูลขอต่อพระเยซูได้โดยผ่านทางพระองค์ครับโดยที่เราอาธิษฐานขอ ในพระนามของพระเยซูเจ้าแต่เราก็พูดพร้อมกันว่าอาเมนพี่นักข่าวในชา้าวันนี้คำอุโมงมาเกี่ยวเรื่องภาริสีคนเกียภาษีนั้นในข้อที่9ครับคำอุโมมานี้ชี้ถึงพวกฟาริสีโดยตรงและเรารู้จักข้ออื่นในการในข่าวเผชิญว่าประชาชนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าพวกเขานั้นเป็นคนชอบธรรมมากกว่าคนอื่นและนังเกียจผู้ที่ไม่ชอบธรรมนั่นคือพวกฟาริสีครับ คนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันถูกเสมอฉันชอบทำกว่าคนอื่นและกีดกันรังเกียจและพิพากษาใส่ร้ายคนอื่นๆคนนั้นก็คือพวกไฟสีครับพวกไฟสีโกรธมากเมื่อพระเยซูยกตัวอย่างพวกเขาให้เป็นตัวละครตัวหนึ่งในคำอุปมาของพระองค์ที่นี่ได้บอกว่ามีชายสองคนมาที่พระวิหารในเยรูซาเล็มเพื่ออธิษฐาน คนนึงเป็นฟาริสีครับอีกคนนึงเป็นคนเก็บภาษีชาเยูในปาเลสไตน์ในสมัยนั้นเชื่อกันว่าพวกเขาจะต้องอธิษฐานในเวลาพิเศษครับสามครั้งในแต่ละวันก็คือตอนเช้าเก้าโมงนะครับตอนเที่ยงสิบสองโมงนะครับหรือสิบสองนาฬิกาและตอนบ่ายสิบห้านาฬิกาก็คือบ่ายสามโมงเชาเยูจะต้องไปที่พระวิหารตามเวลาที่ฐานดังกล่าวครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกปริสี ซึ่งเป็นผู้ที่รักษากฎเกณฑ์กฎบัญญัติของโมเสสนะครับก็เป็นตัวอย่างในการไปอธิษฐานที่พวิหารนะครับถามว่าทําไมจะต้องไปอย่างตรงเวลาแนละมีพิธีรีตองมากมายเพราะว่าเขาต้องการให้คนมองเขาเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลนะครับและได้ยินคําอธิษฐานของเขาในขณะที่เขาอธิษฐานอยู่พี่น้องครับเราอ่านใน ข้อสิบเอ็ดบขั้นหนึ่งเกี่ยวกับคําอธิษฐานของพวกปริสีครับและเราจะได้สังเกตข้อสังเกตประการแรกก็คือว่าเขากําลังอธิษฐานกับตัวเองครับในขณะที่จริงๆแล้วคําอธิษฐานของเขาเนี่ยต้องมุ่งตรงไปที่พระเจ้านะครับแต่คําอธิษฐานประโยคแรกของเขานั้นก็เริ่มด้วยการหยิ่งยะโสท่านองตนเป็นการยกตัวเองขึ้นเขากล่าวว่าข้าพระองค์โมทนาขอพระคุณพระองค์ ที่คาโงไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็บอกกับพระเจ้าต่อไปว่าเขาไม่เป็นคนโลภเป็นคนร่วงประเวณีเขาไม่เป็นคนอาธรรมเขาทําดีมาเสมอแต่เขาก็บอกกับพระเจ้าว่าเขามีความบริสุทธิ์เพียงใดที่เขาอดอาหารอนที่ละสองครั้งและเขาถวายสิบรถนะครับและไมีมีสิ่งผิดไม่เคยทําผิดกฎในการอดอาหารหรือถวายสิบรถเลยแต่พี่น้องครับเขาอาธิษฐานกับตัวเองและอธิษฐานให้คนอื่นฟํา ไม่ใชใ่พระเจ้าฟังนะครับพวกต้องทราบดีครับว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขาทําอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าสิ่งที่ผิดก็คือว่าท่าทีของเขาเกี่ยวกับความชอบธรรมเขาเองครับเขาภูมิใจและโอ้โอวดกับสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับในกรณีแรกนั้นเขาไม่จําเป็นต้องอดอาหารในที่ละสองครั้งอย่างไรก็ตามครับพวกปริสีมักอดอาหารในวันจันทร์และวันพรหรัสซึ่งในวันนี้มักจะมีตลาดนัดครับ ะฮะตลาดนัดเนี่ยในวันนั้นจะมีคนทั้งเมืองเดินทางมานะครับแล้วก็มาซื้อข้าวซื้อของนะฮะมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันในวันนั้นทั้งเมืองเต็มไปด้วยฝูงชนและมีคนเป็นกันนัวจะจะเห็นพวกเขาครับระหว่างที่เขาอดอาหารอาธิษฐานพวกเขาก็มีหน้าซีดสวมเสื้อผ้ายับยุยี่อย่าลืมครับพระเยซูได้เคยพูดไว้ในคําเทศนาบนภูเขาครับ เกี่ยวกับการอดอาหารว่าเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทําหน้าชอบหมองเหมือนคนหน้าช่วใจคดก็คือพวกคอร์ริสีนี่เองเพราะว่าด้วยเขาทำหน้าให้หม่อมแหมเพื่อจะให้คนอื่นเห็นว่าเขาถืออดเราบอกความจริงกับท่านว่าเขาได้บาเหน็จของเขาแล้วเมื่อเมื่อท่านถืออดอาหารจมล้างหน้าและเอาน้ามันใส่ถี่จักเพื่อคนจะไม่รู้ว่าถืออด แต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่รีลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่รีลับจะทรงตรวจประทานบําเหน็จแก่ท่านพี่น้องทับเช่นเดียวกันครับพวกฟริสีนั้นเพียงแต่ถูกบังคับให้ทําตามพระบัญญัติให้ถวายสิบลดนะครับในผลผลิตทางกเกษตรที่เขาผลิตได้พวกฟอริสีถวายสิบลดแม้แต่ใบไม้ของต้นพืชที่เล็กที่สุดในสวนของเขาด้วยนะครับความจริงแล้ว เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรผิดเกี่ยวกับท่าทีในการบอาหารและการถวายของพวกฟาริสีพวกฟาริสีนครัอุปมานี้กําลังยกย่องตัวเองแทนที่จะยกย่องพระเจ้านะครับกําลังทําเพื่อรับคํำสนเสริญจากมนุษย์เขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาเป็นเขามีอยู่เป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจเขาคิดว่าเขาทําความดีเขาสะสมความดีครับตัวเขาเองทําให้พระเจ้าโปรดปราน โดยทำมากกว่าบัร ญ, ญัติได้กําหนดไว้พี่น้องครับเราจะเห็นได้ในมิชาว่าพระเจ้าทรงแสดบฟังอริษฐานของชายคนนี้อย่างไรในขณะเดียวกันครับอีกคนหนึ่งในคําอุป ม, มาก็คือคนเก็บภาษีข้อที่สามกล่าวว่าเขายือนอยู่ไกลออกไปข้อนี้หมายความว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางพระวิหารครับไม่ได้ยืนอยู่ที่ที่ทุกคนได้ยินสามารถมองเห็นเขาได้ในพระวิหารนี้ที่เฉพาะที่ถือว่าบริสุทธิ์กว่าที่อืน่นใช่ไหมครับ พวกฟอริสีจะยืนอยู่ตรงนั้นแหละครับคนแก่ภาษีก็จะยืนอยู่ห่างๆไกลๆยืนก้มหน้าเอามือตีอกชกหัวนะครับพูดว่าข้าแต่พระเจ้าขอโปรดเบตกตาข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาปเถิดคำพูดอย่างนี้ครับเป็นคาพูดที่สารภาพบาปด้วยใจิตใจที่ถ่อมอย่างมากรู้สึกถึงความผิดของตัวเองปรารถนาที่จะกลับใจใหม่เขารู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยและหลั่ไร้ายค่าคุณครับ เยซูถามว่าชายคนไหนเมื่อออกจากพระวิหารจะถูกนักบวชเป็นคนชอบธรรมชอบธรรมในที่นี้หมายความว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกต้องกับพระเจ้าทําอธิษฐานไหนครับที่พระเจ้าทรงฟังแน่นอนครับพระเจ้าไม่ฟังคําอธิษฐานของคนเก็บภาษีครั บ, รบเพราะว่าท่าทีของเขานะครับและการยกตัวเองเขาอาธิษฐานกับตัวเองเขาอาธิษฐานให้คนอื่นฟังแต่พระเยซูตรัสว่า เพราะคนที่ยับยกตัวเองจะต้องถูกเหยียดลงคนที่ถ่อมจะถูกยกขึ้นพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานด้วยใจถ่อมเราจะสัมผัสถึงพระคุณอันเลิศประเสริฐพระคุณยิ่งใหญ่พระคุณที่แสนชื่นใจได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจหัวใจของการอธิษฐานอิงวอมจากอุปมาที่แล้วนะครับก็คือแม่ไม้กับพุ้กพากษา และอุปมาเรื่องคนเก็บภาษีและคนปริศนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรชีวิตการไอ้ขานของพี่น้องของข้าพเจ้ารวมทั้งผมด้วยอาเมน